ก็เป็นกัณยานบุตรชนคือเป็นบุตรชนที่เป็นคนดีคนงามสามารถละอักขุศลละบาปละความชั่วกระทำความดีได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้มากขึ้นมากขึ้น ก็เป็นกัญญาณปุุ้ชนที่ดีขึ้นดีขึ้นไปโดยลำดับจนถึงปัญญานี้เองแจมแจ้งขึ้นประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิ ทำให้ได้ธรรมาจากสุขคือดวงตาเห็นธรรมจนถึงกําจัดสัญญอดคือกิเลสที่ประกอบอยู่กับกจิตใจผูกจกิตใจอยู่ได้บางส่วนเด็ดขาด ก็เลื่อนขึ้นเป็นอริยบุคคลและภาวะเป็นบุตุชนและเมื่อละสัญญ์ยศในหมดสิ้นก็ เป็นอริยบุคคลชั้นสุดยอดดังที่เรียกว่าพระอ ร, ะ ห, ออระหันต์หรืออรหันตบุคคลหรือเรียกว่าขีณาสวะผู้สิ้นอาสวะ เป็นภูมิหมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาและได้มีคำเรียกอีกว่าสำหรับ ท่านภูธิละสัญญตได้บางส่วนเด็ดขาดแต่ยังไม่หมดก็เรียกว่าเสขะที่แปลว่าภูศึกษาหรือแปลว่านักศึกษาเมื่อละสัญญตในหมดสิน้น ก็เรียกว่าอาเสขะที่แปลว่าหูไม่ต้องศึกษาหรือว่าศึกษาจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปส่วนบุตรชนทั้งหมด จะเป็นอันธพาและบุตุชนก็ดีบุตุชนธรรมดาก็ดีกัลยานาบุตุชนก็ดีซึ่งยังละสัญญอดอะไรไม่ได้เรียกว่าเนวเสขานาเสขา ที่แปลว่าเป็นเสขะก็ไม่ใช่คือเป็นนักศึกษาก็ไม่ใช่เป็นอาเสขะคือเป็นผู้จบการศึกษาแล้วต้องศึกษาอีกต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงยังไม่ยอมเรียกบุถุชนว่าเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ละสัญญได้บางส่วนเด็ดขาดแล้วแต่ยังไม่หมดจึงยอมเรียกว่านักศึกษา จนถึงละได้หมดก็เรียกว่าศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปและตามที่กล่าวเรียกนี้จึงจับความได้ว่า จะถือว่าเป็นนักศึกษานั้นจะต้องเข้าทางแล้วการเข้าทางแล้วก็คือว่าต้องเข้ากระแสธรรมแล้วผู้ที่เข้ากระแสธรรมแล้วเรียกว่าโสตาปณนะ อันแปลว่าพูดถึงกระแสธรรมแล้วเข้ากระแสธรรมแล้วคือว่าเข้าทางแล้วไม่ออกจากทางที่ถูกต้องนั่นไปมีแต่จะเดินก้าวหน้าไปสู่ ทางอันถูกต้องนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดและที่ว่าศึกษานั้นโดยตรงก็คือศึกษาปฏิบัติในมักมีองแปด ย่อลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นเองที่ท่านยังไม่ยอมเรียกบุคุชนว่าเป็นนักศึกษานั่นก็เพราะว่าบางคราวก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาคือว่าเข้าทาง แต่บางคราวก็ออกจากทางคือไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาหรือปฏิบัติอยู่ในทางแห่งอกุศลทั้งหลายดังที่เรียกว่าอากุศลและกรรมบททางแห่งอกุศล เพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่แท้จริงเพราะยังเข้าทางบ้างออกนอกทางบ้างทุกๆคนเมื่อพิจารณาดูที่ตนก็จะพึงเห็นได้ดังนั้นเอาก็าปฏิบัติเข้าทางของศีลของสมาธิของปัญญาบางครวาวก็ปฏิบัตินอกทางของศีลของสมาธิของปัญญา เป็นอนิยอ์คือไม่แน่นอนอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าเป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ในสินในสมาธิในปัญญาอยู่ในทางจริงๆโดยไม่ออกไปนอกทางทางนี้ก็เพราะว่ายังมีกิเลสหนานแน่น ยังละไม่ได้แม้บางส่วนบรรดากิเลสที่หนานแน่นนันที่ดองจิตสันดานอยู่ก็เรียกว่าอาสวะที่แปลว่าดองสันดานก็ได้ เหมือนอย่างของหมักดองทั้งหลายอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้แจงเอาไว้ให้ทุกทุกคนได้ทราบว่ามีอาสวะ คือกิเลสที่ดองสันดานนี้อยู่แม้ว่าตัวเองจะไม่มองเห็นอาสวะของตัวเองก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่ามีและก็ทรงชี้ไว้ว่า กิเลสที่ดองสันดานอยู่อันเป็นอย่างละเอียดนี้แบ่งได้เป็นสามคือหนึ่งกามาสะวะกิเลสดองสันดานคือกรรมอันได้แก่ความใคร่ ความปรารถนาสองภาวาสะวะกิเลสดองสันดานคือพบอันได้แก่ความเป็นตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราอันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัศมิมาณนะความสำคัญหมาย ว่าเรามีเราเป็นสามอาวิชชาสวะาสวะคืออวิชชาอันได้แก่ความไม่รู้คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวจริงที่เป็นของจริงเป็นของแท้ที่เป็นความจริงที่เป็นความแท้ อาสวะจึงมีสามที่ดองสันดานของบุตุชนทุกหรือจะเรียกว่าดองสันดานของสัตวโลกทั้งปวงอยู่ จะเป็นเทวดามารพรมจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์นรกจกเปรตอสุรกายซึ่งเป็นพวกอบายโพมต่างๆก็ตามที ย่อมมีอาสวะทั้งสามนี้ดองจิตสันดานอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและก็เรียกว่าเป็นสัตว์วโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุถุชนบุถูสัตว์วโลกทั้งหมด พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้กำจัดอาสวะกิเลส ท, ที่ดองสันดานนี้ได้สิ้นเชิงทั้งหมดจึงได้ตรัส บ, บอกเอาไว้ แกเวนนยนิกรคือโมชนที่จะพึงฝึกได้แนะนำได้ทั้งปวงไม่ว่าคนไม่ว่าจะเป็นอริยชนที่ยังละกิเลสไม่ได้หมดสำหรับที่จะได้สดับรับฟัง นำมาตรวจตราพิจารณาดูให้รู้ว่าตนเองของแต่ละบุคคลยังมีอาสวะทั้งสามนินองกิตติสันดานอยู่ยังมีกาม คือความใคร่ความปรารถนายังมีพบความเป็นคือเป็นเราเป็นของเรายังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นของจริงของแท้อยู่และเมื่อเป็นดังนี้จึงต้อง อยู่ในกองทุกข์ตั้งตนแต่ชาติทุกทุกคือความเกิดเป็นตน้นยังต้องประกอบกรรมที่ไมดั่งที่ชั่วบางอันนำให้เกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเมื่อ มีความมัวเมาประมาทมากประกอบกรรมชั่วมากเมื่อมีความมัวเมาก็ประกอบกรรมชั่วน้อยไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ยังได้ตรัสสอนให้มองเห็นโทษของอาสวะ กิเลสที่ดองกิจสันดานอยู่นี่และตั้งใจปฏิบัติสังวรคือระมัดระวังป้องกันอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละเสียโดยที่ดยทรงสั่งสอนไว้เป็นหลักขั้นตน้นว่าไม่ทรงตรัสความสิ้นอาสวะ คือกิเลส ท, ที่ดองกิตตสันดานแก่ภูที่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าทรงตรัสความสิ้นอาสวะแกะ่ภูรู้ผู้เห็นตามที่ตรัสเตืนไว้เป็นหลักนี้เป็นข้อที่ ให้ผู้ฟังมีความสํานึกว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นจึงจะปฏิบัติให้สิ้นอาสวะกิเลส ท, ที่ดองจิตสันดานได้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ปฏิบัติให้สิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองจิตสันดาน ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่อจากนี้ก็เด็ดรัดขยายความออกไปว่ารู้เห็นอะไรก็ทรงเฉลยไว้ว่า คือรู้เห็นว่าอะไรควรจะมณสิการคือทำไม่ในใจหรือใส่ใจถึงอะไรไม่ควรมณสิการคือไม่ควรทำไวในใจไม่ควรใส่ใจถึง และก็ได้ดตรัสชี้แจงให้แจมแจ้งต่อไปอีกว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าอะไรควรจะมนสิการคือใส่ใจถึงอะไรไม่ควรมนสิการ คือไม่ควรจะใส่ใจถึงก็ได้เอาไว้ว่าเมื่อมนสิการคือใส่ใจถึงเรื่องอะไรสิ่งอะไรอาสวะคือการความใคร่ ความปรารถนาอาสะวะคือพบความเป็นนั่นเป็นนี่คือความเป็นเราเป็นของเราอาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจรงิงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นคือว่าเพิ่มกามความใคร่ความปรารถนาเพิ่มพบ ความเป็นเราเป็นของเราเพิ่อมอวิชชาคือความเคลาวความไม่รู้เรื่องนั้นแหละสิ่งนั้นแหละไม่ควรจะมะนสิการคือใส่ใจถึงแต่ว่าเรื่องอันใดสิ่งอันใดที่เมื่อมนานสิการคือใส่ใจถึงแล้ว อาสวะกิเลสที่ดองสันดานดังกล่าวที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปได้เรื่องนั้นแหละสิ่งนั้นแหละควรมนสิการคือใส่ใจถึงทรงวางหลักสำคัญไว้ดังนี้ซึ่งหลักที่ทรงวางไว้นี้ทุกคนอาจจะ มากําหนดดูได้ที่ใจของตัวเองเรวบบใจของตัวเองนี่มีมณสิกาลคือใส่ใจอยู่ซึ่งเรื่องต่างๆคือรับเอาเรื่องต่างๆมาใส่ไว้ในใจมาสมไว้ในใจมากองไว้ในใจ อยู่มากมายและเรื่องที่มาใส่ไว้ในใจมากองไว้ในใจมาสั่งสมไว้ในใจเหล่านี้บางทีก็ทำให้เกิดการคือความใคร่ความปรารถนา บางทีก็ทําให้เกิดพบคือความเป็นเราเป็นของเราบางทีก็ทําให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงบกปิดสัจจะที่เป็นตัวความจริงเสียเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้รู้ว่า สิ่งที่มากองไว้ในใจมาใส่ไว้ในใจทั้งปวงนั้นไม่ดีมีโทษไม่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจทุกคนก็รู้หากนำมาพิจารณาดูคือนำใจมาพิจารณาดูใจของตัวเอง คราวนี้หากเรื่องอะไรที่นำมาใส่ไว้ในใจแล้วทำให้ไม่เกิดกามคือความใคร่ความปรารถนาไม่เกิดพบคือความเป็นเราเป็นของเราไม่เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจิง และทำให้อาสวะเหล่านี้ที่มีอยู่นั้นลดน้อยลงไปเรื่องนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละควรมนสิกาดคือนำไม่ในทำไม่ในใจใส่ใจถึงทุกคนพิจารณาดูใจของตัวเองก็ย่อมจะเห็นได้ดังนี้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นตัวหลักไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัชี้ทางปฏิบัติสำหรับที่จะสังวรคือป้องกันอาสวะกิเลสดองสันดานทั้งปวงที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ดับไปได้ไว้เป็นข้อข้อข้อหนึ่งที่จะนำมาแสดงในวันนี้ก็คือว่าให้สังวรคือป้องกันดังกล่าวด้วยทัศนะ คือปัญญาที่รู้ที่เห็นก็คือปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้งสี่คือในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกตามที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ โดยย่อในทุกข์ก็คือให้พิจารณาให้เห็นทุกตั้งต้นแต่สภาวะทุก์ตามสภาพคือเกิดแก่ตายเป็นทุก์และให้รู้จักทุกข์ที่บังเกิดขึ้นทาง จ, จิตใจ ทั่วไปคือความโศกความแห้งใจความปริเทวะแกรมโครนันจุนใจไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้งใจเป็นทุกข์รวมเข้าก็ในความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดลาจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์รวมเข้ากับปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ ย่อเข้าก็ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกขคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตหัดพิจารณาให้รู้จักทุกขตามในทรงสั่งสอนเอาไวน้นี้นี่แหละและให้รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกก็คือให้รู้จกักปัญหาความลิ้นรนทยายาอยากของใจ เป็นกรร ม, มตัณหาบ้างเพราะาตัณหาบ้างวิภูวะตัณหาบ้างคือดิ้นรนไปเพื่อจะได้ก็เป็นกามดิ้นรนไปเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภพดิ้นรนไปเพื่อจะทำลายสิ่งที่ขัดขวางกรมขัดขวางภพ อ, องตอนก็เป็นวิภูวะเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็หัดพิจารณาให้รู้จัก ตัญหาที่ใจของตัวเองนี่แหละมันนี่เป็นตัวสมุทยัยจนดับตัญหาเสียได้ทุกข์ก็จะดับไปก็เป็นนิโรธความดับทุกข์และให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมักไม่องแปดย่อเขากัเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาคัดปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธเาิเป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ ดังนี้และการปฏิบัติดังนี้เองก็เรียกว่าเป็นการมนสิกการคือใส่ใจ